มาดูข้อความในปฏิสัมพิธาต่อเลยนะก่อนที่จะกล่าวถึงปัจจเวคขณะยานเนี่ยนะเราก็คงทบทวนลำดับยานที่แทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะหรือยานที่พิจารณาอริยสัจโดยลำดับเพราะว่าปัจจเวคขณะยานทั้งหลายมันเป็นผลของความเป็นพระอริยะแล้วเป็นคุณธรรมของพระอริยะ ก็ลองทบทวนดูนะยานแรกเลยคือสุตตมายาญาณว่าโดยสรุปก็คือฟังอะไรฟังอริยสัจทีนี้อริยสัจเนี่ยสัจจะที่ต้องปฏิบัติมีกี่สัจจะมีสัจจะเดียวเพราะว่าทุกขสัจก็ไม่ต้องสมุทัยสัจก็ไม่ต้องเจริญนิโรสัจก็ไม่ต้องเจริญอะไรนั้นเจริญมรรคสัจทีนี้มรรคสัจเริ่มต้นเจริญด้วยอะไรสีลมมยาญาณเนี่ยนะก็นั้นจึงต่อด้วยสีลมมยาญาณ ทีนี้ผู้ที่ศีลดีเป็นเหตุใกล้ให้จิตตั้งมั่นก็ต่อด้วยสมาธิภาวนามยยยานเมื่อมีสมาธิภาวนามยยยานเนี่ยดีพื้นฐานของการฟังทุกขสัตย์กับสมุทัยสัตว์มาดีแล้วใช่ไหมในตอนแรกจึงมากาหนดด้วยปัจจยปริขหายานปัจจยปริขหายานก็คือเอาทุกขสัตย์กับสมุทัยสัตว์มามากาหนดมาพิจารณา สัมมาสนาญาณก็พิจารณาทุกข์ศาสตร์กับสมุทัยนั่นแหละโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาไม่เที่ยงก็หมายถึงว่าสิ้นไปเป็นทุกข์ก็เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระไม่เที่ยงเพราะปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเป็นทุกข์เพราะว่าเป็นของร้อนนั่นนะเพราะวัตถุที่เป็นทุกเป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะโมหะ ตัวทุกเองก็เป็นไปกับชาติชรามรณาโศกปริเทวทุกขโทมนัสและกุปลายาตเป็นอนัตตก็ว่างจากตนว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยตนว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากความยั่งยืนว่างจากเราว่างจากของเราว่างจากผู้อื่นแล้วก็ว่างจากของผู้อื่นให้ตกลงเป็นอะไรก็เป็นกองทุกข์ที่เห็นเห็นกันอยู่เหงือนกันนเป็นสภาพที่ไม่เที่ยงกับเป็นทุกข์ ที่นี้ทุกเหล่านี้ก็มีเหตุเกิดนะกับมีความดับได้คือทุกเหล่านี้เกิดเพราะเหตุและกั จ, จัจธรรมะที่สงบระงับดับทุกเหล่านี้ก็มีอยู่ทั้นปัญญาที่สามารถแยกแยะความเกิดกับความดับได้ถ้ารู้ความเกิดละอะไรละทิฏฐิอะไรละอุเฉะทิฏฐิถ้ารู้ความดับละสัตตทิฏฐิที่นี้เมื่อรู้ทั้งความเกิดและความดับ ว่าเกิดอย่างนี้นะดับอย่างนี้ที่เหลือปฏิบัติอย่างไรจึงจะดับละ่ะอันนั้นแหละเป็นพังขยานหรืออีกชื่อหนึ่งว่าวิปัสนาญาณเริ่มเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความดับในอุทยพยาัญยานนี้รู้ความดับแต่ไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้ปฏิบัติเพื่อความดับนั้นตั้งแต่พังขยานเป็นต้นไปจึงเป็นการปฏิบัติเพื่อเพื่อดับเรียกว่าอีกชื่อหนึ่งว่าปฏิปทายานทัศนวิสุทธิเนี่ย ก็คือพังขยานนั่นเองเมื่อพังขยานเหล่านี้เกิดขึ้นพิจารณาโดยอนุปัสนาเจตในสังขารธรรมทั้งหลายเนี่ยนะก็เมื่อเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มากขึ้นเท่าไหร่สภาพแห่งความเป็นอนาตาัต tago ชัดเจนขึ้นเท่านั้นอันนี้จังด้วยนะไม่เที่ยงด้วยเลวด้วยแล้วก็ไม่มีอำนาจไปอะไรสักอย่างด้วยนะควรไหมที่จะเบื่อนายเนี่ยนะก็ควรที่จะเบื่อนายอันนั้นก็เป็นอริ ย, ยาน อาทีนิวะยานหรือนิพิถายานเนี่ยเป็นอาทีนวิวะยานทีนี้ถามว่าเมื่อรู้ทั้งไม่เที่ยงด้วยทั้งเป็นทุกข์ด้วยเป็นอนัตตาด้วยหน้าเบื่อหน่ายด้วยขนาดนี้เนี่ยนะคิดจะเฝ้าไหมจะอยู่เฝ้าหรือคิดจะออกก็คิดจะออกนะออกแน่ไหนะสาธุแล้วก็มันก็ใจก็คิดจะออกใช่ไหมถ้าออกได้ส่วนเดียวเรียกอะไร โคตรภูยานถ้าออกได้ส่วนเดียวเลยนะดอกออกโดยอารมณ์อย่างเดียวเรียกว่าโคตรภูยานถ้าออกโดยส่วนสองเรียกว่ามาัคคายนผลของการออกเสร็จแล้วเรียกว่าผลยานเนีย่ยนะก็มัคคายนผลยานในเมื่อออกได้แล้วเนี่ยก็สิ้นกิเลสใช่ไหมก็เป็นวิมุตติยานเนีย่ยนะก็เป็นวิมุตติยานเมื่อมีวิมุตติยานก็ ปัจเวกมรรคผลนิพพานก็เลยเรียกว่าปัจเวกขณะยานในปฏิสัมพิธามรรคยกมาสองอย่างคือปัจเวกขณะยานกับวิมุตติยานแยกเป็นสองแต่จริงๆก็ทั่วๆไปเรียกยานเดียวคือปัจเวกขณะยานค <c oughs> งทบทวนโดยลําดับอีกครั้งหนึ่งนะว่าสุตตามมยญาณว่าโดยรวมก็คือฟังอริยสัจพราะผู้แสดงก็แสดงอริยสัจก็คือทุกขสัจ สมุทัยศาสตร์นิโรธสัสตร์และสุดท้ายมัคสตร์พอฟังแล้วมักเนี่ยถ้าจะอ บ, บรมในบรรดาศาสตร์ที่จะต้องเจริญต้องปฏิบัติก็คือมัคศาสตร์ก็รักษาศีลก่อนใช่ไหมอันนั้นเป็นศีลมัยาญาณพอรักษาศีลดีก็อ บ, บรมจิตให้ตั้งมั่นเรียกว่าสมาธิภาวนามัยาญาณเมื่อศีลดีสมาธิดีเนี่ยนะเป็นฐานรองรับการกําหนด ปัจจัยและปัจจยยบานเรียกว่าปัจจยประเหายานปัจจัยเนี่ยปัจจัยของอะไรของทุกปัจจัยของทุกก็คือสมุทยัยอันนี้เป็นปัจจัยประเหายาณ น, นี้ปัจจัยประเหายานก็มาพิจารณาทุกกับสมุทัยนั่นแหละไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเรียกว่าสัมมสาาัญาณทุกเหล่านี้เนี่ยมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีสมุทัยเป็นแดนเกิดถ้าจะดับทุกเนี่ยดับได้เพราะอะไร เพราะรู้แทงตลอดนิโรธจึงดับทุกได้ยานที่รู้ว่าความเกิดแห่งทุกคือสมุทัยถ้าจะดับทุกคือนิโรธแทงตลอดนิโรธก็ดับทุกการกำหนดได้อย่างนั้นเรียกว่าอุทยพย า, ยานเห็นไหมอุทยพย า, ยานเมื่อรู้ทั้งความเกิดว่าสมุทัยเป็นตัวทำให้เกิดทุกนิโรธเป็นตัวที่ดับทุกแล้วปฏิบัติอย่างไรจึงจะดับทุกได้ เริ่มปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เรียกว่าทางขยานหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าวิปัสนาญาณเพราะพวกญาณเหล่านี้ล่างๆที่บริบูรณ์เท่าไหร่อันนี้สองก็คือนิพถญญาณหรืออาทีนวญาณเห็นไหมพยญาณอาทีนวญาณ น, นิพถญญาณก็คือสิ่งเดียวกันเมื่อสิ่งเดียวกันมันเป็นอย่างนั้นของที่มีโทษน่ากลัว เนี่ยนะหน้าเบื่อหน่ายเป็นต้นถามว่าคิดจะออกไหมไอความที่คิดจะออกค่้จะออกนั่นแหละเป็นสังขารูเปกขาญาณขารูเปกขาญาณถ้าออกได้หนึ่งส่วนออกได้ส่วนเดียวเป็นโคตรภูยานเนี่ยนะโคตรภูยานอันนี้เขาเรียกว่าออกหนึ่งส่วนนะมัคคยาณออกได้สองส่วนออก โคตรภูยาณออกโดยอารมณ์เพราะมีนิพพานเป็นอารมณ์มรคยานออกโดยส่วนสอนเพราะออกจากวัฏฏะได้ด้วยนะแล้วออกโดยอารมณ์ด้วยทีนี้อริยมรคนี่ผลของอริยมร ก, ก็คือสามัญญผลทำไมสามัญญผลสามัญญ ผ, ผลก็สงบประงับเป็นผลของอริยมรคทีนี้เมื่อบรรลุแล้วก็บรรลุแล้วอันนี้เป็นวิมุตติยานนะวิมุตติยานพิจารณากิเลสที่ละแล้ว และกิเลสที่ยังเหลือกิเลสที่ละแล้วนี่ใช้กับมร์สามขัน้นนะกิเลสที่ละแล้วเนี่ยใช้กับโสดาปฏิมร์สกทาคามีมร์อนาคามีมร์นะกิเลสที่ละแล้วนะพิจารณากับกิเลสที่ละแล้วเนี่ยทั้งสี่มร์เลยนะอรหัตตามมร์ด้วยส่วนกิเลสที่เหลือ มีสําหรับสามพระอริยบุคคลคือพระโสดาบันยังมีกิเลสที่เหลือพระสกท า, าคามีก็ยังเหลือพระนาคามีก็ยังพิจารณากิเลสที่เหลืออยู่ทีนี้การพิจารณามัคพิจารณาผลพิจารณานิพพานอันนั้นเรียกว่าปัจเจเวขนะยานนี่ยนะก็ต่อด้วยปัจเจเวขนะยานตอนนี้เราก็เดินมาถึงปัจเจเวขนะยานโดยการฟัง ก็ปัจเจกเรียบร้อยแล้วนะก็ถือว่าเป็นท่าระยะแล้วนะถ้าได้ปัจเจกขนาดนี้แล้วอ่ะเราก็ทิ้งต่างว่าว่าที่ท่าระยะในอนาคตเราลองมาปัจเจกเอาไว้ก่อนปัจเจกขณะยานเนี่ยนะตรงนี้วิมุตติยานกับปัจเจกขณะยานเนี่ยรวมกันแล้วก็เป็นห้าที่อื่นๆใช้อยู่สับเดียวคือปัจเจกขณะยานปัจเจกขณะยานเนี่ยที่เจรณากิเลสที่ละแล้วกิเลสที่ เหลือพิจารณามัจพิจารณาผลพิจารณานิพพานการพิจารณาเหล่านั้นอ่ะก็คือพิจารณาอะไรว่าตรงๆง่ายๆก็คือพิจารณาอริยสัสนั่นแหละพิจารณาซึ่งอริยสัสนี่นะมีสี่ประการใช่ไหมหนึ่งทุกสองสมุทัยสามนิโรธสี่มัจพิจารณากิเลสที่ละแล้วก็คือพิจารณาสมุทัยที่ตัวเองได้ละไปแล้วพิจารณากิเลสที่เหลือก็พิจารณา สมุทัยนั่นแหละถามว่าพิจารณาได้ยังไงพิจารณาเพราะว่าสมุทัยทั้งหลายข้าเกิดก็อาศัยทุกเกิดใช่ไหมพิจารณาจากทุกนี่รู้และรู้ได้เลยว่าละสมุทัยอะไรบ้างพิจารณาสมุทัยพับอยารู้เลยว่ายังเหลือทุกอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นถ้าโซดาปฏิมักเกิดขึ้นเนี่ยรู้ว่าละสมุทัยคืออะไร สกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีรพัตตปรามาสเนี่ยนะถ้าเป็นพระโสดาบันเนี่ยสมูทายของท่านละสักกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีรพัตตปรามาสแล้วทุกขที่ท่านละได้คืออะไรอบายสี่เนี่ยนะอบายสี่อะไรพบที่แปดแล้วอย่างอื่นอีกพระโสดาบันเนี่ยนะ อารมณ์ที่เหลือที่เป็นสังคตะธรรมพระโสดาบันปัจเจกจนละสกายทิธีกับมิจิกิจฉาได้แล้วทีนี้ถ้าเป็นพระสกท า, าคามีละอะไรเพิ่มละกองทุกอะไรอีกถ้าพระสกท า, าคามีละพบที่สองเป็นต้นไปละกามราคะอย่างหยาบกับปฏิฆะอย่างหยาบ ถ้าพระอนาคามีถ้าอนาคามีเนี่ยละกามละกามมาพบให้หมดเลยนะแล้วยังละอย่างอื่นอีกคือกามราคากับปฏิฆาย่างละเอียดอย่างละเอียดถ้าอารหัตมรักละ่ะพบทั้งปวงทําไมจึงเรียกว่าพบทั้งปวงเพราะว่าอารหัตมรักษถ้าบรรลุที่กามมาพบก็ถือว่าออกจากทุกภพ บ, บรรลุที่รูปประพบหรืออรูปประพบก็ถือว่าออกจากบพบทั้งปวงก็ละอะไร ตัวกิเลส ท, ที่ละไปคือรูปราฆารูปราค า, ปป า, คามานะอุทาจจะและอวิชชาสังเกตได้อย่างไรรู้ได้อย่างไรก็พิจารณาจากว่าทุกเนี่ยเป็นที่โคจรของสมุ ท, ทยัยใช่ไหมคงคงพอร ะ, ะลึกได้ตอนที่เราศึกษาอนุสยะวาระเนี่ยอนุสัยยมกะเนี่ยว่าอนุสัยนี่แบ่งออกเป็นหนึ่งนะปริยุทธ์เออเาเรียกว่าปริชิน นุษเทศตรงนี้แหละทบผิดมาหลายครั้งเลยปฤติฉินนุษเทศก็อนุสัยมีเจ็ดใช่ไหมหนึ่งกา ม, มาราคานุสัยสองปฏิคานุสัยสามมานานุสัยสี่ทิฏฐานุสัยห้าอะไรวิจิกิจฉานุสัยหกภาวะราคานุสัยเจ็ดอวิชานุสัย อนุสัยเหล่านี้เนี่ยนะมีอะไรเป็นที่เกิดเรียกว่าอุปัติฐานอุปัติฐานการมราคาอนุสัยเกิดที่ไหนติยรูปสาตรูปอันนี้จําง่ายๆดิปฏิคาอนุสัยเกิดที่ไหนทุกเวทนะอาอติยรูปอาศัตรูปมานานุสัยเกิดที่ไหนเวท น, น, น, นาสองในในภพสามเวทนาสองในภพสามวิจิกิจามุสัย กับทิฏฐานุสัยเกิดที่ไหนสกายะก็คืออุปาทานขันธะเพราะราคานุสัยอยู่ที่รูปประพบกับอรูปประพบอวิชานุสัยอยู่ที่สกายะคือขันธะพันตัวประเวทขนายานเนี่ยนะก็มาปัจจุบักิเลสที่ละแล้วเนี่ยนะห้รณากิเลสที่ละแล้วก็คือตัวอะไรถ้าแบบอนุสัยหรือแบบสังโยชน์ก็ได้ใช้อันใดอันหนึ่งก็ได้ การมราคาปฏิฆะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาภาวะอวิชชาเนี่ยดูได้ดูได้จากที่ไหนว่าท่านท่านละแล้วดูได้จากการมาทำปริญญาเนี่ยเยพราะทุกขศัพท์เนี่ยนะถ้าฟังตอนแ ร, แรกๆเราฟังโอ้มันทุกข์จริงๆเนาะแต่ว่าเวทนาสองอปิยรรูปสาธรูปเป็นทุกข์จริงหรือเนี่ยนะอันนี้แหละที่เรียกว่าได้ทำปริญญาพอที่จะละการมราคานุสัยหรือยัง ทุกเวทนาทำปริญญาละปฏิฆานุสัยหรื อ, อยังเวทนาสองในภพสามทำปริญญาละมานะหรื อ, อยังสกายะทิถิเนี่ยทำปริญญาละทิฐิวิจิกิจฉาและอวิชชาได้หรื อ, อยังแล้วก็รูปอรูปทำปริญญาเพื่อละภวะราคานุสัยได้หรื อ, อยังซึ่งอนุสัยการมราคะปฏิฆานี้ถ้าอนาคามีละได้ ทิ่ทีวิจิกิจฉาพระโสดาบันละได้ที่เหลือเป็นพระอรหันตละได้ท่านก็ดูจากพวกนี้ก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้เลยว่ากิเลสไหนละแล้วกิเลสไหลยังเหลือก็ดูจากอุปติฐานที่เป็นที่เกิดของกิเลสว่าได้ทำปริญญาหรื อ, อยัง น, น, นะหรืออนุภาพของอริยมรรคว่ามักเนี่ยเกิดเกิดกี่ครั้งแล้วเนี่ยนะซึ่ง พระอริยะทั้งหลายที่สมบูรณ์ด้วยสุตตะท่านก็จะมีปัจเจกขณะยานเหล่านี้มาพิจารณาแต่ถ้าพระอริยะที่ไม่มีสุตตะล่ะก็อริยมรรคของท่านเกิดขึ้นท่านก็นึกว่าท่านละกิเลสได้โดยสิ้นเชิงเนี่ยนะก็เพราะว่าความที่ท่านไม่ฉลาดในปริยัตเป็นต้นเนี่ยนะก็ด้วยอนุภาพการเห็นพระนิพพานของท่านท่านก็นึกว่าท่านละได้โดยสิ้นเชิงแล้ว อันนี้ก็เป็นถามว่าพระอริยะนี่ยังเข้าใจอะไรผิดไหมหรือเข้าใจถูกกล้องหมดเลยเขาใจถูกเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านท่านนเนี่ยเข้าไปโทนพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะเป็นธรรมที่ลึกซึ้งแล้วก็ปรากฏว่าเป็นธรรมที่ลึกซึ้งน่าสัจจั์ว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นของง่ายสําหรับข้าพระองค์เพราะฉะนั้นก็ง่ายสําหรับของบุคคลอื่นด้วย ถามว่าไอ้ความเข้าใจอันนี้ของพระ อ, อนุนเนี่ยถูกต้องหรือผิดพระ อ, องค์ก็บอกว่า mm hmm. เธอจะได้พูดอย่างนั้นอา น, นุ์เธอจะได้กล่าวอย่างนั้นถ้าถูกพระ อ, องค์จะห้ามทําไม mm hmm. เพราะฉะนั้นแสดงว่าไอ้ความสมบูรณ์แบบไม่ได้มีที่พระ อ, อริยะธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยนะเพราะฉนั้นความสมบูรณ์แบบอยู่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหเพรันท่านอ น, นก็ยังเข้าใจผิดอะไรตั้งคือคําว่าผิดในทีน่นี้มันเป็นความผิดที่ไม่ได้เสียหาย ต่อการบรรลุมรรคผลของท่านแต่อาจจะเสียหายในแง่ในแง่อะไรอในแง่อื่นๆที่จะเกี่ยวข้องกับคนอื่นแนะนํากับคนอื่นเนี่ยอาจจะเสียหายบ้างมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนท์ท่านบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกาลยานมมิตรนี่เป็นตั้งครึ่งหนึ่งของพรหมจา ร, รีเชลหน้าพระเจ้าค่ะตั้งครึ่งหนึ่งเลยนะพระองค์บอกว่าอยา่าอย่าพูดอย่างานั้นอนุนกาลยานมมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจา ร, รย์นะ ก็คิดดูพระนนท์คิดว่าแค่ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นแสดงว่าพระอริยะชั้นล่างๆก็มีส่วนที่เข้าใจผิดอยู่บ้างแต่ความเข้าใจผิดของท่านเราจะไปตาหนิท่านสมควรไหมดีไหมอายุประวาทเนี่ยเนาะไปว่าร้ายพระอริยะหมิ่นพระอริยะลําบากอีนะแต่ทีนี้ว่าท่านก็ไม่ควรหมิ่นนะนะซึ่งผู้ที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังมีข้อที่ผิดพลาดอยู่แม้กระทั่งเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยนะ พระมหากริน์ท่านบอกว่าเออเราเป็นพระอรหันต์แล้วเพราะฉันก็ไม่ควรจะไปสั่งสอนใครอยู่เงียบๆหลีกรเล่นนี่แหละสบายดีนะไม่ต้องไปเกี่ยวข้องพระพุทธเจ้าก็ให้พระ อ, อมหากปิญธน์เนี่ยสอนท่านก็สอนเก่งจริงๆนะสอนครั้งเดียวบรรลุห้าร้อยเลยนะมิหน้าพระ อ, องค์เป็นขอร้องให้สอนนะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เก่งขนาดนั้นอ่ะก็มีอย่างภาษารีบุตรเป็นต้นก็ท่านก็คิดจะปลีกรเล่นอ่ะนะมีอยู่ครั้งหนึ่งพระ อ, องค์ประนาม พระภิกษุบอกเธอทั้งหลายจงออกไปเนี่ยนะไล่พระห้าร้อยหนีอ่ะเสร็จแล้วตอนหลังพระ อ, องค์ก็เรียกมาก็ถามพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเธอคิดยังไงก็คิดว่าพระ อ, องค์ขวนขวายน้อยแม้ข้าพระ อ, องค์ก็จัขวนขวายน้อยเหมือนกันบอกขยะห้า ah, อย่าคิดอย่างนั้นอย่าคิดอย่างนั้นพระ อ, องค์ก็ห้ามจำไหมคือปกติถ้าอะไรถูกต้องพระ อ, องค์เป็นอผู้อนุโมทนาอยู่แล้วไม่ใช่ขัดคอเขาทั่วไปหมดหรอกพระ อ, องค์ก็อนุโมทนาเป็นแต่ทีนี้เมื่อสิ่งนั้นไม่ดีพระ อ, องค์ก็ไม่อนุโมทนา พันความสุดจริตที่เป็นไปเพื่ออนุเคราะห์คนอื่นนั้นถ้าอารยะทั่วๆไปก็ยังไม่ได้รอบรู้เท่ากับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งเกี่ยวกับปัจเจกขณะยานก็เหมือนกันถ้าอารยะบุคคลจึงไม่ได้มีปัจเจกขณะยานทั้งหมดทุกองค์พอที่จะพอที่จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยละกิเลสได้โดยประการทั้งปวงโดยสิ้นเชิงเหมือนอย่างว่าอุปมามาตน ถ้าถ้ามีคนคนหนึ่งอะนะไปป่วยป่วยเป็นเอามากเลยแหละก็ไปหาหมอหาหมอซึ่งหมอก็ให้ยามาสี่เม็ดเห็นไหมยามาสี่เม็ดสมมติว่าปกติไข้คนนี้ร้อยเปอร์เซ็นตเอ็มร้อยเลยนะมันก็กินยาเม็ดที่หนึ่งเนี่ยความป่วยมันลดไปเท่าไหร่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตครั้งที่หนึ่งนะคนที่กินยาเนี่ยรู้ไหมว่าตัวเองเนี่ยไข้มันลดลงมันหายป่วยไปเยอะนะ รู้คนที่เป็นป่วยเนี่ยเก่งขนาดว่านี่นะโรคของฉันเนี่ยตัวนั้นอะเชื้อตัวนั้นหมดตัวนั้นหมดตัวนั้นหมดเชื้อตัวนี้ยังเหลือนะยังป่วยตัวนั้นอยู่อีกอย่างนั้นอย่านั้ยถามว่าคนไข้รอบรู้ขนาดนั้นไหมรูถามว่ารู้ว่าหายป่วยสางไข้ขึ้นไหมรู้พระอริยะบางองค์ที่ไม่ได้ศึกษามามากก็ลักษณะเดียวกันท่านรู้ในความที่กิเลส ข, ของท่านมันมันลดลงเพราะฉะนั้นตอนหลังท่าน เป็นครั้งที่สองอีกลดไปอีกยี่สิบห้าเท่ากับลดไปห้าสิบแล้วใช่ไหมบางครั้งเนี่ยไข้มันไม่กำเริบอไปนะก็เลยนึกว่าเอ้ยเราน่าจะหายแล้วล่ะก็สําคัญว่าหายไปแล้วอ่ะพอมาได้ปัจจัยอีกโตอีกเอากินยามเม็ดที่สามก็อีกยี่สิบห้านะเกือบขาดแล้วนะก็เกือบหายขาดแล้ะก็กินเม็ดที่สี่อีกยี่สิบห้าก็ละได้โดยประการทั้งปวงแต่ถามว่า คนคนเนี่ยรอบรู้แม้กระทั่งว่ายาเม็ดนี้ประกอบไปด้วยเท่านี้มีตัวยาเท่านั้นเท่านั้นกี่มิลลกรัมทั้งหมดเนี่ย ร, รู้คำนวณแล้วได้รู้ขนาดนั้นไหมไม่รู้แล้วเขารู้ไหมว่ า, าไข้ตัวไหนเชื่อตัวไหนมันลดลงไปโดยละเอียดรู้หมดไหมไม่รู้แล้วยาไปทําตรริกิริยากับตรงไหนตรงไหนตรงไหนทั้งหมดเนี่ยรู้ขนาดนั้นไหมรู้ไม่รู้ใช่ไหมแล้วคนไข่รู้ไหมว่าหายป่วย แล้วทําไมเป็นอย่างนั้นมันน่าจะรู้ทุกเรื่องเอาเขาหายป่วยอยู่กับตัวเองใช่ไหมเขาน่าจะรู้ว่าเขาหายไปเท่านั้นยังเหลือเท่านั้นจะน่าจะรู้เท่านั้นเก่งขนาดนั้นก็ไม่รู้พันปัจจอาอริยะทุกองค์ไม่ได้รู้เท่าพระพุทธเจ้าทีนี้เราเรียนของพระพุทธเจ้าเราก็ไปใส่ความรู้อ่าถรรยะน่าจะรู้เท่านั้นน่าจะเท่านี้อย่านั้นก็เหมือนกับอย่างว่าสมัยนี้ศึกษาธรรมะใช่ไหมคนนั้นน่าจะดีอย่างนี้คนนี้น่าจะดีอย่างนั้นก็ทําไมไม่ถามหาจากพระพุทธเจ้าล่ะ ก็ไปถามหาจากคนไม่ค่อยดีมันก็ไม่ดีเท่าพระพุทธเจ้าอยู่แล้วล่ะทีนี้เรามีตัวอย่างคือพระพุทธเจ้าใช่ไหมเราก็ไปถามหาคนอื่นเผื่อจะดีเหมือนกับพระพุทธเจ้าพันเข้าใจผิดยังไงท่านก็ไม่ดีเท่ากับพระพุทธเจ้าพันถ้าจะถามหาคนดีสมบูรณ์แบบก็หาที่พระพุทธเจ้าในลักษณะนี้ก็เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องปัจเจกขนาานันญาณผาระยะไม่ได้ถึงกับทุกองค์จะต้องรอดรู้โดยละเอียดใช่ไหม ทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าคนไข้ไม่ได้รู้ว่าองค์ประกอบตัวยาประกอบไปด้วยอะไรโดยสิ้นเชิงใช่ไหมก็ไม่รู้สองแล้วไข้ที่มันลดลงไปเนี่ยนะรู้ไหมว่าไข้ตัวนั้นมันมีเชื้ออะไรอยู่ในนั้นบ้างก็ไม่รู้แต่มันมีคนไข้บางประเภทที่เรียกว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นหมอเสีเองแล้วป่วยอย่างนี้เนะื้อเขารู้ใช่ไหมว่าตัวยาประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วไข้มันลดไปเท่าไหร่เวลากินเนี่ยหมอรู้ใช่ไหม ก็รู้อันนี้หมายความว่าคนไข้ทุกคนที่กินยามันจะไม่เก่งเข้าหมอหรอกท่า น, นปัจจเวกขณะยานก็ลักษณะเดียวที่เราเปรียบเมื่อยายาเนี่ยอุปมาเหมือนกับมรรคโรคเหมือนกับสมุ ท, ทยัยสมุทรฐานของโรคนะต้นเหตุของโรคเหมือนกับสมุ ท, ทยัยเชื้อโรคเออขอไปอาการของโรคที่ปรากฏเหมือนกับทุกนะั้นถ้ากินยาถูกก็รู้ว่ามันหายป่วยเท่านั้นนะ ก็เคยดูไหมพรอะอรหันต์พระอนาคาส ม, มีเป็นต้นท่านสมทนากันอ่ะนะพระอะโปทปปาทะใช่ไหมไปถามพระอรหันต์รูปหนึ่งเออเนี่ยท่านปฏิ ญ, ญาณว่าท่านเป็นพระอาริยเนี่ยท่านเ ล, ลึกชาติได้ไหมไม่ได้ท่านรู้สัตว์เกิดสัตว์ตายไหมไม่รู้ท่านเห็นเทวดาเป็นต้นไหมไม่เห็นท่านกําหนดรู้วาระจิตได้ไหมไม่ได้ก็ตอนหลังตอนท้ายก็บอกว่าสรุปว่าจะยังไงก็ตามผมมันตัญญาวิมุตต์น่อย แ้วท่านอยากรู้ไปถามพระพุทธเจ้ากันแล้วกัน <c oughs> ก็ให้ไปถามพระพุทธเจ้านะเท้าอะไรก็ตอบไม่ได้อภิญญาไหนก็ตอบไม่ได้แต่วอรู้ว่าเป็นธาตุหันในลักษณะนี้ไม่ใช่ว่าจะสมบูรณ์แบบเท่ากับพระพุทธเจ้าเห็นไหม